สิกขาบทสิบข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากปานาติบาสข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากอธินาทานข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากมุสาวาทข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการเสพของเมา คือสุราเมรยัยข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมและการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเว้นจากการรูปไล้ทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมอันเป็นลักษณะการแต่งตัวข้าพเจ้าสมาทานศิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนที่นั่งสูงใหญ่ข้าพเจ้าสมาทานศิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการรับทองและเงิน พันนาสิกขาบทหัวข้อปาฐะว่าด้วยสิกขาบทครั้นแสดงการเข้าสู่พระศาสนาด้วยการถึงสารนคมอย่างนี้แล้วเพื่อจะพรนนาปาฐะที่ว่าด้วยสิกขาบทซึ่งตั้งเป็นบทนิเคบไว้เพื่อแสดงสิกขาบททั้งหลายอนอุบาศกหรือบรรพชิตผู้เข้ามาสู่พระศาสนาจะพึงศึกษาเป็นอันดับแรก บัด น, นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวมาติกาหัวข้อดังต่อไปนี้สิกขาบทเหล่านี้ผู้ใดกล่าวกล่าวที่ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุใดจำต้องกำหนดกล่าวทำนัยยะนั้นโดยความแปลกแห่งสิกขาบททั่วไปจำต้องกำหนดโทษทั้งเป็นปกติวัชชะและปณติวัชชะทำการชี้แจงนัยยะทั่วไป ทั่วทุกสิกขาบทโดยพยัญชนะและอัถะของบททั้งหลายแต่ในห้าสิกขาบทต้นพึงทราบวินิจฉัยโดยประกาศความแปลกกันของสิกขาบททั่วไปโดยความเป็นอย่างเดียวกันและความต่างกันเป็นอาทิตั้งต้นแต่ปานาติบาตเป็นต้นไปโดยอารมณ์การสมาทานและการขาดโดยความมีโทษมากโดยประโยค องคและสมุดฐานโดยเวทนามูลและกรรมโดยการงดเว้นและโดยผลมหมายเหตุผู้อา่านสำหรับคำว่าโดยความมีโทษในพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้หมายถึงว่าใครมาตั้งกฎแล้วพอผิดกฎก็จะโดนลงโทษนะครับแต่เป็นนัยยะหมายถึงว่ามีข้อเสียมีพิษภัยโทษภัยกลับมาถึงตัวเอง ข้อยุติคือความถูกต้องจากการพรนณาห้าสิกขาบทต้นพึงนำมาใช้ในห้าสิกขาบทหลังพึงกล่าวสิกขาบทเป็นข้อข้อพึงทราบว่าสิกขาบทมีอย่างเลวเป็นต้นไว้ด้วยในมัติกาหัวข้อนั้นสิบสิกขาบทมีปานาติปาตาเวรามาณีเป็นต้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าพระองค์เดียวตรัสไว้มิใช้ภาษา v o จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จจากกรุงกระบิลพัดถึงกรุงสาวัตถีทรงให้ท่านพระราหุลบรรพชาแล้วณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินธิกะกรุงสาวัตถีประสิคฐาบทสิบนั้นเพื่อทรงกำหนดสิกขาบทสำหรับสามเณรทั้งหลายสมจริงดังที่ท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสําราณตามพระพุทธอัธยาศัยอยู่ณกลุ่กบิลพั์แล้วสเสด็จจาวริกไปทางกรุงสาวัตถีเมื่อสเสด็จจาวริกมาตามลำดับก็ถึงกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสามเณรทั้งหลายเกิดความคิดว่า สิขาบททั้งหลายสำหรับพวกเรามีเท่าไรกันหนอพวกเราจะพึงศึกษาในสิขาบทจานวนเท่าไรภิกษุทั้งหลายจึงนำความกราบทูแลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตอนุญาตสิขาบทสิบสิขาบทสาหรับสามเณรทั้งหลายเพื่อสามเณรทั้งหลายศึกษาในสิขาบทสิบนั้น คือปานาติปาตาเวรมณีจนถึงชาตะรูประราชตะปฏิคหานาเวรมณีดังนี้สิกขาบทที่สิบนี้นั้นพึงทราบว่าท่านยกขึ้นใช้บอกสอนโดยแนวพระสูตรว่าสมาธายะสิกขิสิกขาปะเทสุสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายและโดยแนวปาฐะ ที่ท่านแสดงไว้ในสรณคมอย่างนี้ว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิยามิข้าพเจ้าสมมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าเป็นตน้นพึงทราบนัยยะที่ว่าสิกขาบทเหล่านี้ผู้ใดกล่าวกล่าวที่ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุไรจะกล่าวนัยยะนั้น เท่านี้ก่อนกำหนดความแปลกกันของสิกขาบททั่วไปก็บรรดาสิกขาบทเหล่านั้นสิกขาบทที่สี่และห้าสองสิกขาบทข้างต้นทั่วไปทั้งอุบาสกทั้งสัมมนเนนโดยเป็นนิจจสีลแต่ว่าโดยเป็นอุโบสถศีลของพวกอุบาสกเว้นสิกขาบทหลังหมด เพราะรวบสิกขาบทที่เจ็ดและแปดเข้าเป็นองค์เดียวกันสิกขาบททั้งหมดก็ทั่วไปกับสามเณรทั้งหลายส่วนสิกขาบทหลังเป็นพิเศษสำหรับสามเณรเท่านั้นพึงทราบกำหนดด้วยความแปลกกันของสิกขาบททั่วไปดังกล่าวมาชนี้พึงกำหนดปกติวัชชะและปันนัตติวัชชะอย่างนี้คือบรรดาสิกขาบทเหล่านั้น สิกขาบทข้างต้นกําหนดด้วยเจตนางดเว้นจากปกติวัชชะของปานาติบาตเป็นต้นเพราะมีกุศลจิตเป็นสมุดฐานส่วนเดียวสิกขาบทนอกนั้นกําหนดด้วยเจตนางดเว้นจากปนัติวัชชะชี้แจงบททั่วไปก็เพราะเหตุที่บรรดาบทเหล่านั้นบทเหล่านั้นว่า เวรมณีสิกขาประทังสมาที่ยามิเป็นบททั่วไปทั้งหมดฉะนั้นพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านั้นทั่วไปทั้งโดยพยัญชนะทั้งโดยอัฏฐดังต่อไปนี้ในบทเหล่านั้นพึงทราบโดยพยัญชนะก่อนชื่อว่าเวรมณีเพราะเวน้นเวนอธิบายว่าละบันเทวเวนคือทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีอีกนัยยะหนึ่งบุคคลย่อมเว้นจากเวณด้วยเจตนาตัวการเท่านั้นเหตุนั้นเจตนานั้นจึงชื่อว่าเวรมณีเพราะเอาวิอักษรเป็นเวอักษรด้วยเหตุนั้นนั่นแหละในคำนี้พุทธบริษัทจึงสวดกันเป็นสองอย่างว่าเวรมณีสิกขาประทัง วิรมณีสิกขาปทังชื่อว่าสิกขาเพราะอ่านบุคคลพึงศึกษาชื่อว่าบทเพราะเป็นเครื่องถึงบทแห่งสิกขาบทแห่งสิกขาชื่อว่าสิกขาบทอธิบายว่าอุบายเป็นเครื่องถึงสิกขาอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่าเป็นมูลเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้ง สิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นชื่อว่าเวรามณีสิกขาบทหรือวิรามณีสิกขาบทตามในยตที่สองข้าพเจ้ายึดถือโดยชอบชื่อว่าสมาธิยามิท่านอธิบายว่าข้าพเจ้ายึดถือโดยประสงค์จะไม่ล่วงละเมิดเพราะเป็นผู้กระทำสิกขาบทไม่ให้เป็นท่อนไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างร้อยแต่เมื่อว่าโดยอัฏา บทว่าเวรามานีได้แก่วิรัตเจตนางดเว้นประกอบด้วยจิตอันเป็นกามาวจรกุศลวิรัตนั้นของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ท, ท่านกล่าวไว้ในวิพังโดยในยะเป็นต้นอย่างนี้ว่าเจตนางดเจตนางดเว้นเว้นขาดงดเว้นไม่ทำไม่กระทำไม่ล่วงไม่ละเมิดขอบเขต การชักสะพานเสียด้วยอริยมรรคชื่อว่าเสตุกจากปานาติบาตในสมัยนั้นอันใดธรรมดาว่าเว ร, รมณีนั้นแม้เป็นโลกุตระมีอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นในที่นี้ก็ควรเป็นเว ร, รมณีที่เป็นไปโดยการสมาทานเพราะผู้สมาทานกล่าวว่าสมาธิยามิเพราะฉะนั้นเว ร, รมณีที่เป็นโลกุตระนั้น จึงไม่มีข้าพเจ้ากล่าวว่าวิรัตเจตนางดเว้นประกอบด้วยจิตอันเป็นการมาวจรกุสลบทว่าสิกขาได้แก่สิกขาสามคืออธิสิลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาแต่ในที่นี้ศีลคือสัมปัตตวิรัตวิปัสนาฝ่ายโลกยะ รูปฌานและอารูปฌานและอริยมรรคท่านประสงค์ว่าสิกขาในบทว่าสิกขานี้เหมือนดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าธรรมะเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาสมัยใดจิตเป็นกุศลฝ่ายกามาวจรเกิดขึ้นไปกับสมนัตประกอบด้วยญาณเป็นต้นสมัยนั้นพัรษะก็มีเป็นต้น ความไม่กวัดแก่งก็มีธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาธรรมะเหล่าไหนาชื่อว่าสิกขาสมัยใดพระโยคาวจรจเจริญมักด้วยการเข้าถึงรูปฌานสงัดจากการทั้งหลายสงัดจากอากุศ ล, ลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานเป็นต้นเข้าถึงปัจจมฌานอยู่เป็นต้นความไม่กวัดแกงก็มีธรรมะเหล่านี้ ชื่อว่าสิกขาธรรมะเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาสมัยใดประโยคาวจรเจริญมกักด้วยการเข้าถึงอรูปฌานไปกับเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานเป็นต้นความไม่กวัดแก่งก็มีธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาธรรมะเหล่าไหนชื่อว่าสิกขาสมัยใดประโยคาวจร เจเรโล ก, กุตระชาญเป็นธรรมะนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นต้นความไม่กวัดแกว่งก็มีธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขามัยเหตุผู้อ่านในที่นี้ถ้าเป็นไปยานใหญ่จะขออ่านคำว่าเป็นต้นเข้าไปแทนนะครับบทคืออุบายเครื่องถึงอีกอย่างหนึ่งเป็นมูลเป็นที่อาศัย เป็นที่ตั้งแห่งสิกขาอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาสิกขาเหล่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าสิกขาบทสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าพระโยคาวจรอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งโพชงเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นพึงทำการชี้แจงโดยพยัญชนะโดยอัฐะทั่วๆไปแก่บททั้งหลายทั่วไป ในบทเหล่านั้นด้วยประการชนนี้พันนาห้าสิกขาบทข้างตน้นคําใดข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าแต่ในห้าสิขาบทข้างตน้นจำต้องชี้แจงโดยประกาศความที่แปลกกันพึงทราบวินิจฉัยในคํานั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวชี้แจงดังนี้ก่อนอื่นในคําว่า ปานาติปาโตนี้บทว่าปาโนโอได้แก่ความสืบต่อแห่งขันที่นับเนื่องด้วยชีวิตตินซีอีกนยายะหนึ่งได้แก่สัตว์ที่บัณดิตอาศัยความสืบต่อแห่งขันนั้นบัญญัติไว้ก็วัฏเจตนาเจตนาคิดจะค่าของบุคคลผู้มีความสำคัญในสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิตเป็นสมุดฐานแห่งความพยายาม ที่จะตัดชีวิตตินสีของสัตว์มีชีวิตนั้นเป็นเปนทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปานาติบาตในคําว่าอธินนาทานังนี้บทว่าอธินนังได้แก่ทรัพย์สิ่งของที่เจ้าของหวงแหนซึ่งเจ้าของเองเมื่อทำตามที่ต้องการก็ไม่ต้องโทษ ไม่ถูกตำหนิเถอยายะเจตนาเจตนาคิดจะลักของบุคคลผู้มีความสำคัญในทรัพย์สินของที่เจ้าของหวงแหนว่าเป็นทรัพย์สินของที่เจ้าของหวงแหนเป็นสมุดฐานแห่งความพยายามที่จะลักทรัพย์สินของนั้นเป็นไปนทางกายทวารแล ะ, ะจวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งนั้นแหละชื่อว่าอธินาทาน บทว่าอพรามจริยังได้แก่ความประพฤติไม่ประเสริฐเจตนาเป็นเหตุละเมิดฐานคือการซ่องเสพอสัตยธรรมเป็นไปทางกายทวารโดยการซ่องเสพเมถุนหรือการสมสู่กันสองต่อสองชื่อว่าอปรมจันในคำว่ามุสาวาโทนี้บทว่ามุสาได้แก่วจีประโยค หรือกายประโยคที่หักหานประโยชน์ของบุคคลผู้มุ่งจะให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเป็นเบื้องหน้ามิจฉาเจตนาเจตนาที่จะพูดผิดทำผิดของบุคคลนั้นด้วยประสงค์จะให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเป็นสมุดฐานแห่งกายประโยคและวจีประโยคที่จะทําให้ผู้อื่นให้เข้าใจผิดเป็นไปนทางกายทวารและวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่ามุสาวาดก็ในคำว่าสุราเมรยะมชัปประมาณฐานนางนี้บทว่าสุราได้แก่สุราห้าอย่างคือสุราทำด้วยแป้งสุราทำด้วยขนมสุราทำด้วยข้าวสุขสุราผสมเชื้อสุราที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงแม่เมรั ก็มีห้าอย่างคือเมรัยที่ทำด้วยดอกไม้เมรัยที่ทำด้วยผลไม้เมรัยทำด้วยงบน้ำอ้อยเมรัยที่ทำด้วยดอกมะ้างเมรัยที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงบทว่ามัชชังได้แก่ทั้งสองอย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่ามัชชะเพราะอัตถาว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมาก็หรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความเมา บุคคลเมาประมาดด้วยสิ่งใดที่ดื่มแล้วสิ่งอันนี้ก็เรียกว่ามัชชะบทว่าประมาทัฐานังได้แก่เจตนาที่ดื่มกลืนกินมัชชะนั้นท่านเรียกว่าประมาทัฐานังเพราะเป็นเหตุแห่งความเมาความประมาทเจตนากลืนกินมัชชะคือสุราและเมรยัย เป็นไปนทางกายทวานด้วยประสงค์จะกลื่นกินพึงทราบว่าสุราเมรยัยเป็นทั้งแห่งความประมาทโดยประการใดพึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทเหล่านั้นก่อนนับตั้งแต่ปานาติบาตเป็นต้นไปโดยประการนั้นวินิจฉัยสิกขาบทอย่างเดียวกันและต่างกันเป็นต้น ในคำเอกาตานานตาธิโตโดยที่สิกขาบทอย่างเดียวกันแต่ต่างกันเป็นต้นนี้ผู้ทักท้วงกล่าวว่าปาณาติบาตหรือสิกขาบทอันมีอธินาทานเป็นต้นเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้จะพึงถูกฆ่าผู้ฆ่าประโยคและเจตนาเป็นต้นเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันเพราะมีผู้จะถูกฆ่าเป็นต้นต่างกัน หรือว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็เพราะเหตุไรผู้ทักท้วงจึงกล่าวคำนี้ว่าผิว่าสิกขาบทจะเป็นอย่างเดียวกันเพราะคนที่จะพึงถูกฆ่าเป็นต้นเป็นคนเดียวกันไซเมื่อเป็นดังนั้นเมื่อใดผู้ฆ่ามากคนฆ่าคนที่จะพึงถูกฆ่าคนเดียวหรือผู้ฆ่าคนเดียวฆ่าคนที่จะพึงถูกฆ่ามากคนคนที่จะพึงถูกฆ่ามากคน ก็จะถูกผู้ฆ่าฆ่าด้วยประโยคเดียวมีสาหัสทิกะประโยคเป็นต้นหรือเจตนาอย่างเดียวก็จะยังประโยคของผู้เข้าไปตัดชีวิตตินสีของคนที่จะพึงถูกฆ่ามากคนให้ทั้งขึ้นเมื่อนั้นปานาติบาทก็จะพึงมีอย่างเดียวแต่ผีว่าสิกขาบทจะต่างกันเพราะคนที่จะพึงถูกฆ่าเป็นคนต่างกันไซ เมื่อเป็นดังนั้นเมื่อใดผู้ฆ่าคนเดียวเมื่อทำประโยคเดียวเพื่อคนคนเดียวก็ยอมฆ่าคนที่พึงถูกฆ่ามากคนหรือผู้ฆ่ามากคนเมื่อทำมากประโยคเพื่อคนมากคนมีเทวทัตยัญญทัตและโสมทัตเป็นต้นก็ยอมฆ่าได้เฉพาะเทวทัตยัญญทัตหรือโสมาทัตคนเดียวเท่านั้น หรือผู้ที่จะพึงถูกฆ่าคนเดียวถูกผู้ฆ่าฆ่าด้วยมากประโยคมีสาหัสทิ่กะประโยคเป็นต้นเจตนามากเจตนาก็จะยังประโยคของผู้เข้าไปตัดชีวิตตินสี่ของผู้ที่จะพึงถูกฆ่าคนเดียวเท่านั้นให้ตั้งขึ้นเมื่อนั้นปานาติบาตก็จะพึงมีมากอย่างแม้คำทั้งสองนั้นก็ไม่ถูกสิกขาบทจะชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกัน เพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าเป็นต้นเหล่านั้นมีผู้เดียวก็หาไม่ได้สิกขาบทชื่อว่าต่างกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าเป็นต้นเหล่านั้นต่างกันก็หาไม่ได้ความจริงสิกขาบทอย่างเดียวกันและต่างกันก็โดยเหตุอย่างอื่นคำนั้นพึงใช้แก่ปานาติบาตแม้สิกขาบทนอกนั้นก็พึงใช้อย่างนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงต่อไปนี้ก่อนอื่นปานาติบาตนั้นชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าและคนฆ่าเป็นต้นเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าต่างกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าเป็นต้นต่างกันก็หาไม่ที่แท้ปานาติบาตชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้ที่จะถูกฆ่าและคนฆ่าเป็นต้นเป็นอย่างเดียวกัน โดยจัดเป็นคู่คู่กันทั้งชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันเพราะผู้จะพึงถูกฆ่าและคนฆ่าเป็นต้นแม้ทั้งสองนั้นเป็นอย่างเดียวกันโดยจัดเป็นคู่คู่กันหรือชื่อว่าต่างกันเพราะผู้ที่จะพึงถูกฆ่าและคนฆ่าเป็นต้นนั้นเป็นอีกคนหนึ่งจากคนทั้งสองจริงอย่างนั้นเมื่อคนผู้ฆ่ามากคน แม้ฆ่าคนผู้ที่จะถูกฆ่าหลายคนโดยประโยคหลายประโยคมีสวรักเขไปประโยคการขุดสะเป็นต้นหรือด้วยประโยคประโยคเดียวมีโอปาตะคณะประโยคการขุดบ่อเป็นต้นก็เป็นปานาติบาตมากปานาติบาตเมื่อคนผู้ฆ่าคนเดียวแม้ฆ่าคนที่ถูกฆ่ามากคนด้วยประโยคเดียว หรือมากประโยคด้วยเจตนาเดียวที่ยังประโยคนั้นให้ตั้งขึ้นหรือด้วยมากประโยคก็เป็นปานาติบาจากปานาติบาอันหนึง่งเมื่อคนผู้ฆ่ามากคนแม้ฆ่าคนที่ถูกฆ่าคนเดียวด้วยมากประโยคความที่กล่าวแล้วหรือด้วยประโยคเดียวก็เป็นปานาติบามากปานาติบาแม้ในสิกขาบทมีอธินาทานเป็นต้น ก็ในยะนี้ในเรื่องนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยความเป็นสิกขาบทอย่างเดียวกันและต่างกันเป็นต้นด้วยประการดังกล่าวมาชนี้เมื่อว่าโดยอารมณ์ในข้อนี้ปานาติบาชีวิตตินรีเป็นอารมณ์อธทินนาทานอภโรมะจันและสุราเมรัยมชัชประมาณทัฏฐาน มีสังขารคือบรรดารูปธรรมมีรูปายตนะเป็นต้นยังได้อย่างหนึ่งเป็นอารมณ์มุสาวาตมีสัตว์เป็นอารมณ์เพราะปรารพคนที่จะพูดมุสาเป็นไปอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าแม้อโรมจันก็มีสัตว์เป็นอารมณ์อันหนึง่งอธทินนาทานมีสัตว์เป็นอารมณ์ ในเวลาที่สัตว์เป็นผู้ที่จะพึงถูกลักไปอีกประการหนึ่งอธินนาทานมีสัตว์เป็นอารมณ์ก็โดยอำนาจสังขารไม่ใช่โดยอำนาจพระบัญญัติในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยอารมณ์ดังกล่าวมาชนนี้เมื่อว่าโดยสมาทานก็สิกขาบทเหล่านี้ มีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นต้นสามเณรสมาทานในสำนักภิกษุเท่านั้นจึงเป็นอันสมาทานส่วนอุบาสกสมาทานเองก็ดีสมาทานในสำนักของผู้อื่นก็ดีก็เป็นอันสมาทานแล้วสมาทานรวมกันก็ดีสมาทานแยกกันก็ดีก็เป็นอันสมาทานแล้ ว, ว, แ, กก แ, ลวแต่ต่างกันอย่างไรเล่า บุคคลสมาทานรวมกันก็มีวิรัติเดียวมีเจตนาเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าวิรัตและเจตนาเหล่านั้นมีถึงห้าโดยอำนาจกิจคือหน้าที่ส่วนบุคคลที่สมาทานแยกกันก็พึงทราบว่ามีวิรัตเจตนาก็ห้าในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยการสมาทานด้วยประการชนนี้ เมื่อว่าโดยการขาดในข้อนี้สำหรับสามเณรทั้งหลายเมื่อสิกขาบทหนึ่งขาดทุกสิกขาบทก็เป็นอันขาดเพราะสิกขาบทเหล่านั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งปา ร, ราชิกของสามเณรเหล่านั้นด้วยสิกขาบทที่สามเณรล่วงละเมิดนั้นแหละก็มีกรรมต่อเนื่องตามมาแต่สำหรับเข้ารือหัดเมื่อศีลข้อหนึ่งขาด ก็ขาดข้อเดียวเท่านั้นเพราะศีลของเขาฤหัสเหล่านั้นมีองค์ห้าย่อมจะสมบูรณ์อีกด้วยการสมาทานศีลนั้นเท่านั้นแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าบรรดาศีลที่เขาฤหัสสมาทานเป็นข้อข้อเมื่อศีลข้อหนึ่งขาดก็ขาดข้อเดียวเท่านั้นแต่บรรดาศีลที่เขาฤหัสสมาทานรวมกันอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าสมาทานศีล ที่ประกอบด้วยองค์ห้าดังนี้เมื่อศีลข้อหนึ่งขาดศีลแม้ที่เหลือก็เป็นอันขาดหมดทุกข้อเพราะเหตุไรเพราะศีลข้อที่สมท า, านไม่ขาดด้วยศีลที่เขาลหัสล่วงละเมิดนั้นแหละก็มีความผูกพันด้วยกรรมในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้ด้วยการขาดด้วยประการชนิ้ เมื่อว่าโดยโทษมากบรรดาสัตว์มีชีวิตที่เว้นจากคุณมีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นปานาติบาตชื่อว่ามีโทษน้อยก็เพราะสัตว์ตัวเล็กชื่อว่ามีโทษมากก็เพราะสัตว์ตัวใหญ่เพราะเหตุไรเพราะประโยคใหญ่คือมีความพยายามมากแม้เมื่อมีประโยกเสมอกันชื่อว่ามีโทษมาก เพราะวัตถุใหญ่ส่วนบรรดาสัตว์มีชีวิตที่มีคุณมีมนุษย์เป็นต้นปานาติบาตชื่อว่ามีโทษน้อยก็เพราะมนุษย์มีคุณน้อยชื่อว่ามีโทษมากก็เพราะมนุษย์มีคุณมากแต่เมื่อมีตัวและคุณเสมอกันก็พึงทราบว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อน และมีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้าแม้ในสิกขาบทที่เหลือก็ในยะนี้อันหนึ่งในข้อนี้สุราเมระยะมัชปมามาทฐานเท่านั้นชื่อว่ามีโทษมากป้านาติบาตเป็นต้นหามีโทษมากเช่นนั้นไม่เพราะอะไรเพราะทำอันตรายแกอริยธรรม ทำผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นคนบ้าในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้ด้วยความมีโทษมากด้วยประการชนนี้เมื่อว่าโดยประโยกก็ในข้อนี้ปานาติบาตมีหกประโยคคือสาหติกะประโยคอนัตติกะประโยคดิสขิยะประโยค ทาวารประโยควิชามยประโยคอิทธิมยประโยคบรรดาประโยคเหล่านั้นการประหารด้วยกายหรือของที่เนื่องด้วยกายชื่อว่าสาหติกะประโยคสาหติกะประโยคนั้นแยกเป็นสองคือสาหติกะประโยคเจาะจงและสาหติกะประโยคไม่เจาะจง ในสาหติกาประโยคทั้งสองนั้นเฉพาะสาหัิกะประโยคเจาะจงบุคคลย่อมผูกพันด้วยกรรมเพราะความตายของคนที่ไปเจาะจงประหารเท่านั้นในสาหัิกาประโยคไม่เจาะจงอย่างนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งจงตายเสียเถิดดังนี้บุคคลย่อมผูกพันด้วยกรรมเพราะความตายของคนใดคนหนึ่งเหตุการณ์ประหารเป็นปัจจัย อนหนึ่งแม้ด้วยสาหาสทิกับประโยคทั้งสองเขาพอถูกประหารก็ตายหรือตายด้วยโรคนั้นในภายหลังบุคคลก็ย่อมผูกพันอยู่ด้วยกรรมขณะที่เขาถูกประหารเท่านั้นแต่เมื่อบุคคลประหารด้วยประสงค์จะให้เขาตายแต่เขาไม่ตายด้วยการประหารนั้นกลับคิดประหารเขาอีกผิว่าแม้ในภายหลัง เขาตายด้วยการประหารครั้งแรกบุคคลก็ย่อมผูกพันด้วยกรรมในเวลานั้นเท่านั้นถ้าว่าเขาตายด้วยการประหารครั้งที่สองก็ไม่เป็นปาณาติบาตแม้เมื่อเขาตายด้วยสาหัตทิกะประโยคทั้งสองบุคคลก็ผูกพันด้วยกรรมโดยการประหารครั้งแรกเท่านั้นเมืม่อเขาไม่ตายแม้ด้วยสาหัสถิกะประโยคทั้งสอง ก็ไม่เป็นปานาติบาตเลยในข้อที่แม้คนมากคนประหารคนคนเดียวก็ในยะนี้แม้ในอันนี้ความผูกพันด้วยกรรมย่อมมีแก่คนที่ประหารเขาตายเท่านั้น <elimin ators> การจงใจสั่งให้เขาทำชื่อว่าอนัตติกะประโยคแม้ในอนัตติกะประโยคนั้น ก็พึงทราบความผูกพันด้วยกรรมโดยในยะที่กล่าวไว้ในสานติกาประโยคนั่นแลก็ในอนติกาประโยคนั้นพึงทราบว่ามีกําหนดไว้หกอย่างอนติกาประโยคกําหนดไว้คือวัตถุหนึ่งการหนึ่งโอกาสหนึ่งอาวุธหนึ่งกิริยาบทหนึ่งกิริยาวิเศษหนึ่ง ในข้อกำหนดหกนั้นสัตว์มีชีวิตพึงจำไว้ว่าวัตถุเวลาเช้าเวลาเย็นเป็นต้นและเวลาหนุ่มสาวเวลาผู้ใหญ่เป็นต้นก็พึงจำไว้ว่าการขามนิคมป่าหรอกหรือทางแยกดังว่ามาน้เป็นต้นพึงจำไว้ว่าโอกาส อาวุธเป็นต้นอย่างนี้คือคาบธนูหรือหอกการยืนหรือการนั่งของตนที่ถูกฆ่าและคนฆ่าดังว่ามานี้เป็นต้นพึงจําไว้ว่าอิริยาบทการแทงการตัดการทําให้ขาดหรือกร่อนผมดังว่ามาเป็นต้นพึงจําไว้ว่ากิริยาวิเศษ ก็หากว่าคนถูกเขาสั่งให้ฆ่าผู้ใดทำวัตถุให้คลาดเคลื่อนคือฆ่าผิดตัวไปฆ่าคนอื่นนอกจากผู้นั้นไซผู้สั่งก็ไม่ต้องผูกพันด้วยกรรมถ้าเขาไม่ทำวัตถุให้คลาดเคลื่อนฆ่าไม่ผิดตัวแม้ทั้งสองคนก็ต้องผูกพันด้วยกรรมคือผู้สั่งในขณะสั่งผู้ถูกสั่งในขณะฆ่าแม้ในข้อกำหนดอื่น มีการเป็นต้นก็ในยะนี้ก็การปล่อยเครื่องประหารด้วยกายหรือของที่เนื่องด้วยกายเพื่อทำเขาให้ตายชื่อว่านิสักคียประโยชน์แม้นิสักคียประโยชน์นั้นก็แยกเป็นสองเหมือนกันคือนิสักคียประโยคเจาะจงและไม่เจาะจงในข้อนี้การผูกพันด้วยกรรม ก็พึงทราบตามในยะที่กล่าวมาแล้วในข้อนี้นี้นั่นแหละการขุดบ่อการวางกระดานหกการประกอบเหยื่อยาพิษและกรองยนต์เป็นต้นเพื่อทำให้เขาตายชื่อว่าทวาระประโยคแม้ทวาระประโยคนั้นก็แบ่งเป็นสองคือทวาระประโยคเจาะจงและไม่เจาะจงก็ในข้อนี้ การผูกพันด้วยกรรมพึงทราบตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วในข้อต้นๆแต่ความแปลกกันมีดังนี้เมื่อคนหาหัวมันทำบ่อเป็นต้นใกล้ๆหรือทำบ่อเปล่าก็ต้องคนอื่นๆผิวว่าเขาตายเพราะบ่อเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยความผูกพันด้วยกรรมก็มีแก่คนหาหัวมันอันหนึ่งเมื่อคนนั้น หรือคนอื่นกลบบ่อนั้นเสียแล้วทำพื้นให้เรียบหรือคนกวาดฝุ่นโกยฝุ่นไปหรือคนขุดหัวมันขุดหัวมันทำหลุมไว้หรือเมื่อฝนตกเกิดโคลนตมคนลงไปติดตาในโคลนตมนั้นความผูกพันด้วยกรรมก็มีแก่คนหาหัวมันนั่นแหละก็ผีว่าคนที่ได้หัวมันหรือคนอื่นทำหลุมนั้นให้กว้าง หรือลึกกว่าเดิมคนลงไปตายเพราะหลุมกว้างหรือลึกนั้นความผูกพันด้วยกรรมก็แก่คนแม้ทั้งสองเหมือนอย่างว่ามูลเหตุทั้งหลายย่อมเทียบกันได้กับการขุดหัวมันชั้นใดเมื่อคนกลบหลุมให้เรียบในที่นั้นคนก็พ้นจากตกหลุมก็ฉันนั้นแม้ในาวรประโยคมีการวางกระดานหกเป็นต้น ก็อย่างนั้นเหมือนกันการผูกพันด้วยกรรมตามเหตุที่เกิดก็พึงทราบตราบที่าวรประโยคเหล่านั้นยังเป็นไปการรา้วิทยาคมเพื่อทำให้ตายชื่อว่าวิชามยประโยคการทำริษต่างๆที่เกิดแต่วิบากกรรมเพื่อทำให้เข้าตายเหมือนใช้อาวุธคือเคี่ยวเป็นต้น ขอบด้วยเขียวเป็นอาทิชื่อว่าอิทธิมยะประโยคส่นอาทินาทานก็มีประโยคคือสาหัะทิกะประโยคและอนัตติกะประโยคเป็นต้นที่เป็นไปโดยอำนาจเถรยาวาหานปะไซหาวาหานปฏิชนวาวหานปาริกับปาวาหานลกุสาวาหาน ประเภทแห่งประโยคแม้เหล่านั้นก็พึงทราบโดยทํานองที่กล่าวมาแล้วนั่นแหลสิกขาบทแม้ทั้งสามมีอภรรมจริยะเป็นต้นก็ได้เฉพาะสาหติกับประโยคอย่างเดียวในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยประโยคด้วยประการดังกล่าวมาชนี้เมื่อว่าโดยองค์ ในข้อนี้ปานาติบาตมีองค์ห้าหนึ่งปานโนสัตว์มีชีวิต 2. ปานสัญญีสำคัญว่าสัตว์มีชีวิต 3. วัฏทกะจิตตังจิตคิดจะฆ่า 4. วายามติพยายามห้า เตณมรติสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นแม้อธินนาทานก็มีองค์ห้าเหมือนกันคือหนึ่งปาราปริคหิตังของมีเจ้าของห่วงแหน 2. ปาราปริคหิตตะสัญญีสำคัญว่าของมีเจ้าของห่วงแหนสาม เทยยาจิตตังมีจิตคิดจะลักณี่ 4. วายามติพยายามหเตนะอาทาตัพังอาทานังคัจจติลักของได้มาด้วยความพยายามนั้นส่วนอพรมจรันร ม, มีองค์สี่คือหนึ่งอจชาจริยะวัตถุสิ่งที่พึงล่วงละเมิด 2. เสวนาจิตตังจิตคิดจะเสพ 3. ประโยคังสมาปัจติพยายามเข้าถึงสสาธิยติยินดีมุสาวาดมีองค์สี่เหมือนกันคือหนึ่งมุสาเรื่องเท็สองวิสังวาทนาจิตตัง จิตคิดจะพูดเท็จสาวายาโมพยายามเกิดแต่จิตนั้นสประวิสังวาทนังพูดเท็จต่อคนอื่นและเขารู้เรื่องเท็จสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานก็มีองค์สี่คือหนึ่งสุราทีนังอัญญาตรังของมื่นเมา มีสุราเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งสองมะะัทนายาปาตุกรรมยตาจิตตังจิตคิดอยากจะดื่มของมึนเมา 3. ตัดชังวายามังอปัจชติความพยายามเกิดแต่จิตนั้นสปิเตจปวิสติดื่มเข้าไปในลำคอในข้อนี้ พึงทราบวินิจัยแม้โดยองค์ด้วยประการดังกล่าวมาชนี้เมื่อว่าโดยสมุดฐานในข้อนี้ปานาติบาตอธินาทานละมุสาวาตมีสมุดฐานสามคือหนึ่งกายจิตสองวาจาจิตสามกายวาจาจิต อภรมจันมีสมุดฐานเดียวคือกายจิตสุราเมรยะมช ป, ปมัทฐานมีสองสมุดฐานคือศีลกายและกายจิตในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยสมุดฐานด้วยประการดังกล่าวมาชนี้เมื่อว่าโดยเวทนาในข้อนี้ ปานาติบาประกอบด้วยทุกขเวทนาอธินนาทานประกอบด้วยเวทนาสามอย่างใดอย่างหนึ่งมูสาวาทก็เหมือนกันอีกสองสิกขาบทประกอบด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยเวทนาด้วยประการดังกล่าวมาชนี้เมื่อว่าโดยมูล ในข้อนี้ปานาติบาตมีโทสะและโมหะเป็นมูลอธินนาทานและมุสาวาดมีโลภะและโมหะเป็นมูลบ้างมีโทสะและโมหะเป็นมูลบ้างอีกสองสิกขาบทนอกนี้มีโลภะและโมหะเป็นมูลในข้อนี้พึงทราบ ว, วินิจฉัยโดยมูลด้วยประการดังกล่าวมาชนนี้ เมื่อว่าโดยกรรมในข้อนี้ปานาติบาตอธินนาทานและอภรมาจันเป็นกายกรรมและเป็นกรรมาบทมูสาวาดเป็นวจีกรรมอย่างเดียวที่หักรานประโยชน์ก็เป็นกรรมาบทมูสาวาดนอกนี้เป็นกรรมอย่างเดียวสุราเมรยะมชัปปมาทฐานเป็นกายกรรมอย่างเดียว ในข้อนี้ผึ่งทราบวินิจฉัยแม้โดยกรรมด้วยประการดังกล่าวมาชนี้เมื่อว่าโดยวิรัตงดเว้นในข้อนี้ผู้ทักท้วงกล่าวว่าบุคคลเมื่องดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นงดเว้นจากไหนจะ ก, กล่าวชี้แจงดังนี้ก่อนอื่นบุคคลเมื่องดเว้นโดยสมาทานวิรัต ยอมงดเว้นจากอากุศลกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นของตนเองหรือของคนอื่นๆปรารบอะไรก็ปรารบอกุศลกรรมที่จะงดเว้นนั่นแหละเมื่องดเว้นโดยสันปตะวิรัตย่อมงดเว้นจากอากุศลกรรมดังกล่าวแล้วนั่นแหละปรารบอะไรก็ปรารบอารมณ์แห่งอกุศลกรรมที่เป็นปานาติบาตเป็นต้น ที่กล่าวแล้วแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าบุคคลปรารบสังขารทั้งหลายที่นับได้ว่าน้ำเมาคือสุราและเมรยัยจึงงดเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มกินน้ำเมาคือสุราและเมรยัยบุคคลปรารบบรรดาศสัตว์และสังขารเฉพาะที่ตนพึงรักและพึงหักลานจึงงดเว้นจากอาทินนาทาน และมุสาวาตปรารบสัตว์อย่างเดียวจึงงดเว้นจากปานาติบาตและอพรรมาจันย์อาจารย์นอกนั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลเมื่อคิดอย่างหนึ่งก็ทำเสีอย่างหนึ่งละสิ่งใดก็ไม่รู้สิ่งนั้นดังนี้เมื่อไม่ต้องการอย่างนั้นจึงกล่าวว่าบุคคลละสิ่งใด ก็ปราบสิ่งนั้นคืออกุศลกรรมมีปาณาธิบาตเป็นต้นของตนนั่นแหลจึงงดเว้นคำนั้นไม่ถูกเพราะเหตุไรเพื่อสิ่งนั้นไม่อารมณ์ปัจจุบันและไม่มีอารมณ์ภายนอกจริงอยู่ในบาลีวิพังแห่งสิกขาบททั้งหลายท่านถามว่าสิกขาบททั้งห้าเป็นกุศลเท่าไหร่เป็นต้นเป็นอารณะเท่าไหร่ แล้วในการตอบปัญหาที่ดำเนินไปอย่างนี้ว่ากุศลทั้งหลายประกอบด้วยสุขเวทนาก็มีจึงกล่าวถึงความที่ธรรมะมีอารมณ์เป็นปัจจุบันและอารมณ์ภายนอกอย่างนี้ว่ามีอารมณ์เป็นปัจจุบันมีอารมณ์ภายนอกคำนั้นย่อมไม่ถูกสำหรับคนที่ปราบรอักกุศ ล, ลธรรมมีปานาติบาตเป็นต้นของตนในคาที่ว่า บุคคลคิดอย่างหนึ่งทำเสอย่างหนึ่งและละสิ่งใดก็ไม่รู้สิ่งนั้นขอกล่าวชี้แจงดังนี้บุคคลกำลังปฏิบัติโดยทากิจให้สาเร็จใกล้จะกล่าวว่าคิดอย่างหนึ่งทำเสีอย่างหนึ่งหรือว่าละสิ่งใดไม่รู้สิ่งนั้นดังนี้ย่อมไม่ได้อาราพิตวานะอมะตัง ชาหันโตสัพปาปเกนิทัสนันเจท ะ, ะเวมัคคโทริยาปุคโลพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมัคปรารบอมตะธรรมก็ละบาปธรรมได้หมดเป็นอุทาหอนในข้อนี้ในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยวิราชงดเว้นด้วยประการดังกล่าวมาชะนี้ เมื่อว่าโดยผลบาปธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นเหล่านี้ทั้งหมดยอมให้เกิดผลคือทุกขติและให้เกิดวิบากที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจในสุ ข, ขติทั้งให้เกิดผลมีความไม่กล้ากล้าเป็นต้นในภายภาคหน้าและปัจจุบันอันหนึ่งในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยผลตามนัยยะเป็นต้นอย่างนี้ว่า วิบากของปานาติบาตอย่างเบาที่สุดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ทำให้เป็นผู้มีอายุสั้นอีกประการหนึ่งในข้อนี้ก็พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยสมุดฐานเวทนามูลกรรมและผลของเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นในเจตนางดเว้นนั้นให้เข้าใจกันดังนี้เวรมณีเจตนางดเว้นเหล่านั้นทั้งหมด สังขึ้นโดยสมุทฐานสี่คือกายกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตทั้งหมดนั่นแหละประกอบด้วยสุขเวทนาก็มีประกอบด้วยอทุคขมสุขเวทนาก็มีมีอโลภะอโทสะเป็นมูลก็มีมีอโลภะอโทสะและอโมหะเป็นมูลก็มีในข้อนี้ เวรมณีแม้ทั้งเป็นกายกรรมมุสาวาทาเวรมณีเป็นวจีกรรมแต่ก็ตั้งขึ้นจากจิตในขณะมรคจิตแม้เวรมณีทั้งปวงก็เป็นมโนกรรมปานาติปาตาเวรมณีมีผลเป็นต้นอย่างนี้คือความมีอวัยวะใหญ่น้อยสมบูรณ ความมีสมบัติคือความสูงใหญ่ความมีสมบัติคือชาวว่องไวความมีเท้าตั้งอยู่เรียบดีความงามความนุ่มนวลความสะอาดความกล้าความมีกำลังมากความมีวาจาสละสลวยความเป็นที่รักของชาวโลกความมีวาจาไม่มีโทษความมีบริษัทไม่แตกกันความมีความองอาจ ความมีรูปไม่บกพร่องความเป็นผู้ไม่ตายเพราะศัตรูความเป็นผู้มีบริวารมากความเป็นผู้มีรูปงามความเป็นผู้มีสวดทรงดีความมีโรคน้อยความไม่เศร้าโศกความไม่พลัดพรากกับสัตสังขารรักที่พอใจความมีอายุยืนอาทินนาทานาเว ร, รมณี มีผลเป็นต้นอย่างนี้คือความมั่งมีธนทรัพความมั่งมีธัญทรัพความมั่งมีโภคทรัพความเกิดโพคทรัพที่ยังไม่เกิดความมีความถาวรมั่นคงแห่งโพคทรัพที่เกิดแล้วความได้โพคทรัพที่ปรารถนายังฉับพลันความมีโภคทรัพไม่ถูกแบ่งด้วยภัยคือพระราชาโจรน้าไฟ ทายาที่ไม่รักกันความได้ทนทรัพย์ที่ไม่สาธารณะความได้โล ก, กุตระทรัพย์ความไม่รู้จักความไม่มีความอยู่เป็นสุขอภรามเจริยาเว ร, รมณีมีผลเป็นต้นดังนี้คือความไม่มีศัตรูความเป็นที่รักของตนทุกคนความได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนเป็นต้น ความนอนสบายความตื่นสบายความพ้นภัยในอบายความเป็นผู้ไม่เกิดเป็นสตรีหรือเกิดเป็นคนไม่มีเพศความไม่โกรธความกระทำโดยเคารพความเป็นที่รักกันแห่งสตรีและบุรุษความมีอินทรีย์บริบูรณ์ความมีลักษณะบริบูรณ์ความไม่มีความสงสัยความเป็นผู้ควรขวายน้อยความอยู่เป็นสุข ความไม่มีภัยแต่ที่ไหนความไม่มีความพลัดพรากจากสัตว์สังขารที่รักหมายเหตุผู้อ่านความไม่พลัดพรากจากสัตว์สังขารที่รักในข้อนี้คือการไม่พลัดพรากกันขณะที่ยังมีชีวิตนะครับแต่คงเลี่ยงการพลัดพรากจากการตายไม่ได้ส่วนความเป็นผู้ไม่เกิดเป็นสตรี น, นั้นเรื่องนี้ต้องเปิดใจศึกษาให้ดีนะครับว่า กรรมแต่ละอย่างนั้นส่งให้เกิดมาแตกต่างกันอย่างไรไม่ใช่การกดขี่เพศหญิงอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับถ้าลองเปิดใจดูดีๆนะครับว่าเพศหญิงนั้นเกิดมา ก, ก็เหมือนมีอวัยวะที่เป็นภัยแก่ตัวเป็นเพศที่เสี่ยงต่อการถูกทาร้ายถูกกดขี่ถูกคมขืนต้องมีประจำเดือนต้องมีความยุ่งยากลาบากกว่าเพศชายมากนะครับ ถ้าไม่เปิดใจศึกษาให้ดีศึกษาให้ท่องแท้ก็จะหลงเข้าใจว่าคำสอนหลายส่วนเป็นการนำความเชื่อเรื่องผู้ชายต้องเป็นใหญ่มากดขี่เพศหญิงศึกษาธรรมะเราก็ต้องปล่อยวางนะครับเอาง่ายๆว่าแค่ลองถือสิน8ปให้ได้สักสองสมปีแล้วคุณจะรู้นะครับว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีเพศเป็นอย่างไรส่วนสาหรับคาว่า อภัมจริยาจะไม่ทำให้เกิดมาเป็นคนไม่มีเพศนั้นในที่นี้เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงการเกิดมามีเพศสภาพไม่ตรงกับจิตใจนะครับการศึกษาธรรมะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแม้แต่อัตถคถาจะอธิบายไว้เยอะแล้วแต่คนรุ่นใหม่ถ้าไม่ศึกษาให้ลึกก็มีโอกาสจะเข้าใจผิดได้นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย มูสาวาทาเวรมณีเป็นผลเป็นต้นอย่างนี้คือความมีอินทรีย์ผ่องใสความเป็นผู้พูดวาจาไพเราะสละสลวยความมีพื้นเรียงเรียบและสะอาดความไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่เตี้ยไม่สูงเกินไปความมีสัมผัสสบายความมีปากมีกลิ่นดังดอกอุบลความมีคนใกล้ชิดเชื่อฟังดีความมีวาจาที่เชื่อถือได้ ความมีลิ้นอ่อนแดงบางเสมือนดอกโกมลและอุบลความไม่ฟุ้งซ่านความไม่คลอนแคลนสุราเมรยะมัชปฏามาทฐานาเวรมณีมีผลเป็นต้นอย่างนี้คือความปฏิญาณได้ฉับพลันในกรณียกิจทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันความมีสติมั่นคงทุกเมื่อ ความไม่เป็นคนบ้าความมีญาณความไม่เกียจคร้านความไม่โง่ไม่ใบ้ไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่หลงไม่หวาดกลัวไม่แข่งดีไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแคลงใจความเป็นคนพูดสัจจะพูดแต่วาจาไม่สอเสียดไม่อยากคายไม่ปล่าประโยชน์ความเป็นคนไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวัน ความมีกตัญญูกตะเวทีไมตรีความเสียสละมีศีลเป็นคนตรงความไม่โกรธความมีฮิริโอตตะปะความมีความเห็นตรงความมีปัญญามากความมีความรู้ความเป็นบัณฑิตความฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในข้อนี้พึงทราบวินิจฉัยแม้โดยสมุดฐาน เวทนามูลกรรมและผลด้วยประการดังกล่าวมาชนี้พันนาห้าสิขาบทหลังคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าข้อยุติจากคำพันนาห้าสิขาบทต้นนั้นควรนามาใช้ในห้าสิขาบทหลังควรกล่าวเป็นข้อข้อและควรทราบว่า สิกขาบทมีอย่างเลวเป็นต้นไว้ด้วยบัด น, นี้จะพันณ า, าความดังต่อไปนี้คำใดในการพรนณ า, าห้าสิกขาบทต้นยอมยุติถูกต้องคำนั้นควรถือจากการพรนานานั้นมาประกอบในห้าสิกขาบทหลังในข้อนี้ประกอบความดังนี้เหมือนอย่างว่าเมื่อว่าโดยอารมณ์ในสิกขาบทก่อน สุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานมีสังขารเป็นรูปปาตยานะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ชันใดในที่นี้วิกาลโพชนะก็ชันนั้นพึงทราบความต่างกันแห่งอารมณ์ของห้าสิขาบทหลังทุกสิกขาบทโดยในยะนี้แต่เมื่อว่าโดยสมาทานห้าสิขาบทต้นที่สามเนนหรืออุบาสกสมาทาน ย่อมเป็นอันสมาทานแล้วฉันใดห้าสิกขาบทหลังนี้ก็ฉันนั้นแม้เมื่อว่าโดยองค์ความต่างกันแห่งองค์ของห้าสิกขาบทต้นมีปานาติบาตเป็นต้นกล่าวไว้แล้วในที่นั้นฉันใดแม้ในที่นี้ก็ฉันนั้นวิกาละโภชนะมีองสี่คือหนึ่งวิการ 2. ของที่เป็นยาวกกาลิกะ 3. การกลืนกินสี่ความไม่เป็นคนบ้าพึงทราบความต่างกันแห่งองค์ของสิกขาบทแม่นอกนั้นโดยทํานองนี้อันหนึ่งเมื่อว่าโดยสมุดฐานในที่นั้นสุราเมรยะมาชัปปะมาทัฐานมีสองสมุดฐานคือกายและกายจิตฉันใดในที่นี้วิกาลโพชนะก็ฉันนั้น พึงทราบสมุดฐานของสิกขาบททุกสิกขาบทโดยในยะดังนี้อันหนึ่งเมื่อว่าโดยเวทนาในที่นั้นอธินาทานประกอบด้วยเวทนาสามอย่างใดอย่างหนึ่งฉันใดในที่นี้วิการรัโภชนะก็ฉันนั้นพึงทราบการประกอบพร้อมด้วยเวทนาของสิกขาบททุกสิกขาบทโดยในยะนี้ อันหนึ่งในที่นั้นอภรรมจริยะมีโลภะและโมหะเป็นมูลฉันใดแม้ในที่นี้วิกาละโพชนะและอีกสองสิกขาบทก็ฉันนั้นพึงทราบความต่างกันแห่งมูลของสิกขาบททุกสิกขาบทโดยในยะนี้อันหนึ่งในที่นั้นปานาติบาตเป็นต้นเป็นกายกรรมฉันใดแม้ในที่นี้ วิกาละโภชนะเป็นต้นก็ฉันนั้นอันหนึ่งชาตะรูปา ร, รัชตะปฏิฆานะเป็นกายกรรมก็มีเป็นวจีกรรมก็มีโดยปริยายแห่งความเป็นไปและความเกิดทางกายทวารเป็นต้นมิใช่กรรมมบทอันหนึ่งเมื่อว่าโดยวิรัตในที่นั้นบุคคล เมื่องดเว้นย่อมงดเว้นจากอากุศลมีปานาติบาตเป็นต้นหรือของตนหรือของคนอื่นๆฉันใดแม้ในที่นี้ก็ย่อมงดเว้นจากอากุศลมีวิกาละโภชนะเป็นต้นก็ฉันนั้นอันหนึ่งเมื่อว่าด้วยความเป็นกุศลก็เป็นอย่างเดียวกันมีเวรมณีเป็นต้น มีสี่สมุดฐานคือกายกายจิตวาจาจิตและกายวาจาจิตทุกเวรมามณีประกอบด้วยสุขเวทนาก็มีประกอบด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีมีอโลพะอโทสะเป็นมูลก็มีมีอโลพะอโทสะอโมหะเป็นมูลก็มีและทุกเวรมามณีให้เกิดผลที่น่าปรารถนา มีประการต่างๆฉันใดแม้ในที่นี้ก็ฉันนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าข้อยุติจากการพันนาห้าสิกขาบทต้นนั้นควรนํามาใช้ในห้าสิกขาบทหลังควรกล่าวสิกขาบทเป็นข้อๆควรทราบว่าสิกขาบทมีอย่างเลวเป็นต้นไว้ด้วยพึงทราบ ว, วินิจฉัยห้าสิกขาหลังนั้น คำว่าวิกาลโภชนังได้แก่การบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยเวลาเที่ยงตรงจริงอยู่การบริโภคอาหารเนื้อล่วงเลยเวลาเที่ยงตรงนั้นก็คือการบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยการที่ทรงอนุ ญ, ญาตไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าวิกาลโภชนะเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกานั้น ในคำว่านจัคีตวาทิตตวิสุขทัศ น, นังนี้การฟ้อนราอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่านจักการขับร้องอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าคีตะการประโคมอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวาทิตะการดูสิ่งที่เป็นฆ่าศึกเพราะทาลายธรรมะฝ่ายกุศลโดยเป็นปัจจัยทำให้เกิดกิเลส ชื่อว่าวิสุกทัศนะหรือการดูการเห็นที่เป็นค่าศึกก็ชื่อว่าวิสุขทัศนะการฟ้อนราด้วยการขับร้องด้วยการประโคมด้วยการดูสิ่งที่เป็นค่าศึกด้วยชื่อว่านจักจขีตวาทิตวิสุขทัศนะก็วิสุขทัศนะในที่นี้พึงถือเอาตามนัยยะที่ตรัสไว้ ในพรหมชาลสูตรจริงอยู่ในพรมมชาลสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอันหนึ่งท่านสมณพราหม์พวกหนึ่งบริภโภคโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาอย่างชอบดูการเล่นที่เป็นค่าศึกเห็นปานนี้อยู่คือฟ้อนราขับร้องประโคมเล่นมหรสพเล่นเล่านิทานเล่นปรกมือเล่นเคาะปลุกยามเล่นตีกลอง เล่นของสวยๆทำของสวยๆเล่นเล่นเลียนคนจันทานเล่นไม้สูงเล่นหน้าศพเล่นชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่เล่นชนนกกระทาเล่นกระบี่กระบองเล่นแข่งสุนัขเล่นมวยชกมวยปล้ำเล่นรบกันเล่นสนามรบเล่นตรวจพลเล่นจัดกระบวนทัพ ดูกองทัพดังนี้เห็นปานใดพระสมณโคดมเว้นขาดจากการดูการละเล่นเห็นปานนี้ดังกล่าวมาชะนี้อีกอย่างหนึ่งการฟ้อนรำการขับร้องและการประโคม้วยความตามที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นเป็นข่าศึกชื่อว่าน จ, จักขีตวาทิตวิสุกะการดูการฟ้อนรำขับร้องและประโคม ที่เป็นค่าศึกเหล่านั้นชื่อว่านจักขิตวาทิตะวิสุกทัศนะเจตนางดเว้นจากการฟ้อนรําขับร้องและประโคมที่เป็นค่าศึกนั้นเมื่อความจะกล่าวว่าทัศนะสวนาแม้การฟังท่านก็เรียกว่าทัศนะเหมือนกันเหมือนการจับอารมณ์แม้มีใช่เป็นไปทางจากักษุทวานท่านก็เรียกว่าทัศนะ ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าโสจากโหติมิจฉาติโกวิปริตทัศโนผู้นั้นย่อมเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดมีทัศนะความเห็นวิปริตอันการล่วงละเมิดในสิกขาบทนี้ย่อมมีแก่ผู้เข้าไปดูเพราะอยากจะดูเท่านั้นส่วนผู้เดินไปพบหรือเห็นเฉพาะที่มาปรากฏ ในโอกาสที่นี้นั่งนอนก็มีแต่ความเศร้าหมองไม่ใช่ร่วงละเมิดก็ในสิกขาบทนี้การขับร้องแม้ที่อิงธรรมะก็ไม่ควรแต่ธรรมะที่อิงการขับร้องพึงทราบว่าสมควรดอกไม้เป็นต้นพึงใช้ประกอบด้วยการทัดทรงเป็นอาทิ ตามสมควรในสิกขาบทนั้นคำว่ามาลาได้แก่ดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งคำว่าวิเลปณะได้แก่ของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาบทจัดไว้เพื่อรูปไลนอกจากนั้นของหอมมีผงและอบตัวเป็นต้นทุกอย่างชื่อว่าของหอมของหอมนั้นทุกอย่างใช้ตกแต่งประดับไม่ควร แต่ใช้เป็นยาก็ควรแต่ของหอมที่เขานำเพื่อบูชาสำหรับผู้รับไว้ย่อมไม่ควรโดยปริยายไรายๆที่นอนเกินขนาดท่านเรียกว่าที่นอนสูงที่นอนเป็นอัปปะและเครื่องปูที่นอนเป็นอักปิยะท่านเรียกว่าที่นอนใหญ่ ที่นอนแม้ทั้งสองอย่างนั้นสำหรับผู้รับไว้ย่อมไม่ควรไม่ว่าโดยปริยายไร่คำว่าชาตะรูปะได้แก่ทองคำว่าราชตะได้แก่กะหาปนะคือของใดๆมีมาสกโลหะมาสกไม้มาสกก้อนอยางเป็นต้นที่เขาใช้แลกเปลี่ยนกันในประเทศนั้นๆ ทองและเงินตราทั้งสองแม่นั้นชื่อว่าชาตะรูประรัชตะกการรับเอาทองและเงินตรานั้นชื่อว่าปฏิหะการรับนั้นย่อมไม่ควรไม่ว่าปริยายไร่ไรพึงทราบสิกขาบทเป็นข้อๆดังกล่าวมาชนนี้ทั้งสิบสิขาบทนั้นบุคคลสมทานด้วยชันทะหรือวิริยะจิต วิมังสาอย่างเลวก็ชื่อว่าหีนะอย่างเลวด้วยฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาปานกลางก็ชื่อว่ามชิมะอย่างกลางด้วยฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาอย่างประนีตชื่อว่าประนีตะอย่างดีอีกนัยยะหนึ่งสิกขาบททั้งสิบนี้เฒ้ามองด้วยตัณหาทิฏฐิละมานะ ชื่อว่าอย่างเลวที่ไม่เศร้าหมองชื่อว่าอย่างกลางที่ปัญญากำกับในสิกขาบทนั้นๆชื่อว่าอย่างดีอีกในยะหนึ่งสิกขาบทเหล่านั้นที่สมทาด้วยกุศลจิตเป็นยาณวิปปยุตปราศจากความรู้ชื่อว่าอย่างเลวที่สมทาด้วยกุศลจิตเป็นยานสัมปยุต ประกอบด้วยความรู้เป็นสัสังขาริกมีเครื่องชักจูงชื่อว่าอย่างกลางที่สมทานด้วยกุศลจิตเป็นยานสัมปยุตเป็นอสังขาริกไ ม, มีเครื่องชักจูงชื่อว่าอย่างดีพึงทราบว่าสิกขาบทมีอย่างเลวเป็นต้นดังกล่าวมาเช่นนี้ มาติกาหัวข้ออันใดข้าพเจ้ายกเป็นบทตั้งไว้เพื่อพันณนาปาฐแห่งสิกขาบทด้วยคาถาหกคาถามีว่าสิกขาบทนี้ผู้ใดกล่าวกล่าวไว้ที่ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวเพราะเหตุใดดังนี้เป็นต้นมาติกาหัวข้อนั้นเป็นอันข้าพเจ้าประกาศด้วยอัฏฐะด้วยคำมีประมาณเพียงเท่านี้แล พันนาสิกขาบทแห่งอัท ธ, ธกถาคุท ธ, ธกะปาธาปาระมัตถโชติกา